أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا عدوان إلى الظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي الأعظم الله ملك الحمد حتى ت الح ر ض ى ولك الحمد إذا رديد ولك الحمد بعد رضا وأشهد أن لا إله إلا الله و ح د ه لا شريك له ا إ ل ه الأولين والآخرين ว่าฉ د ลู نبينا م ح م د มมัดอั ورسوله أرسله الله ب ا ل ه د ل ا ودين الحق ليظهره الدين كله ولو كله الكافلون ل ق ر قال الله تعالى في كتاب الكريم بعد عود بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سنقرأ كفلا تنسى إلا ما شاء الله อันนั้นเขาจะกล่าวว่านี่คือสิ่งที่พระเจ้าทรงตรัสกับเรานี่คือสิ่ที่รั้างรักับเานี่คืองที่รั้ารงรัสกับเานี่คือิ่งี่พระ้าทรงรัลกุบอาน่ครอ้งนี้ารับเรากีงงก ah ah la, ่ั ง, ง, ง, งคร้งครักับเราน่คอส่งนี่พระเางตรัสกัเรานี่คอสิ่งที่พระจารงัลกัานสที่ไร้ตกรงกับพานี่คือ่งที่พระเตรักบเรานที่พระ้าทรงรัสกับเรานี่คอสิ่งที่พเาทรงเราจะ กลับมาใช้รูปแบบเดิมก็คืออาจจะใช้เวลามากหน่อยในการที่เราจะพูดคุยเกี่ยวกับคาพูดของพระลอสสุบฮานหัวตาลาก็คื อ, อตอนนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศกลับมาอีกทีหนึ่งนะครับจากที่ตอนที่แล้วเนี่ยเราเน้นแบบโอเคไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆก็คือว่าเร็วหน่อยไม่ได้ลงลึกละเอียดนะครับซึ่งก็ไปได้หลายอายะตอนนี้เรามากลับมาลองใช้วิธีเดิมอ่ะ ลองเอาแบบว่าอายานึ่งก็คุยกันให้ค่อนข้างจะละเอียดสักนิดหนึ่งหวังว่าพวกเราจะได้ประโยชน์กันเช่นเคยนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกข้อเสนอแนะนะครับทุกข้อชี้แนะถ้าพี่น้องมองว่าอย่างไงดีกว่ากันก็เดี๋ยวคุยกันได้ครับเพราะส่วนตัวผมผมไม่ซีเสียดนะครับผมใช้คุยแบบแบบละเอียดก็ละเอียดนิดหนึ่งเราก็คุยกันได้หรือถ้เกิดอยากจะได้แบบไวนิดนึงก็ได้ทั้งคู่เหมือนกัน พี่น้องที่รักยิ่งความเดิมตอนที่แล้วครับเราได้คุยกันไปแล้วนะครับที่พระลอสสุภาณุตผู้ทรงสูง่งผู้ทรงยิ่งใหญ่เนี่ยพระองค์ได้กล่าวไว้พระองค์บอกว่าไงนะครับสนุกเกอรกาฟฟลาตันเาจะอ่านให้เจ้าทาให้เจ้าได้อ่านอ่านให้เจ้าฟังแล้วเจ้าก็จะไม่ลืมมันสนุกเกอรกาเฟลาตันเสอิ ล, ลามะชาอัลลอฮ์นอกจากสิ่งที่พวกเราทรงต้องการ อินหูยะเลมจัฮราวามายักฟ้าโพลังทรงรู้ในสิ่งที่เปิดเผยแล้วก็ในสิ่งที่ซ่อเล้นว y นูยาซิรุกาลิลยุสรอตรงนี้แหละครับพี่น้องครับที่ว่าอยายไลน์นี้ผมยอมรับตรงๆเลยนะครับว่าผมไม่รู้จะแปลยังไงไม่รู้จะแปลยังไงให้ถอดความหมายให้ตรงตามที่ควรจะเป็นขอแปลแบบเท่าที่ความสามารถของผมจะมีนะครับผม วานูยัสซิลูการิยุสรอแปลว่าแล้วเราก็จะทําให้เจ้านั้นง่ายได้ในการได้รับสิ่งที่ง่ายได้แล้วเราจะทําให้เจ้าง่ายได้ในการที่ได้รับสิ่งที่ง่ายได้พี่น้องที่รักบังท่านจะบอกทำไมอาจารย์ไม่แปลแบบที่ขึ้นเลยละ่ะแล้วเราจะได้รับความง่ายได้อย่างง่ายได้เพราะว่าเดี๋ยวพี่น้องลองฟังดูแล้วพี่น้องจะรู้ว่าความหมายของอาย่ญญานี้ลึกซึ้งมากลึกซึ้งมาก เพราะความง่ายได้ในที่เนี่ยผู้รอดไม่ได้บอกว่าอัลลอฮ์ผู้รอดสบาตาเจ้าท่านละเบีเจรความง่ายได้แต่ผู้รอดบอกใ่จ้ท่านลบีเองเนี้ยเป็นความง่ายได้แล้วก็ให้ได้รับความง่ายได้อย่างง่ายได้พราะฉะนั้นอัยนี้นะครับความหมายจึงประกอบไปด้วย2 อ, อย่างด้วยกันผู้รอดได้ให้ท่านลบีนั้นเป็นผู้ที่ง่ายได้ทาอะไรก็ง่ายได้แล้วก็ง่ายได้กับผู้อื่นแล้วในขณะเดียวกันครับ ในเรื่องอะไรก็ตามที่เป็นสิ่งง่ายๆเพรวกเราก็แคีได้รับมาอย่างง่ายดายถึงตรงนี้นะครับพี่น้องที่รักบางท่านอาจจะเกิดคําถามนะครับว่า อ, อาจารย์ชั้นศึกษาปบอดของนบีปบอดนบีไม่ง่ายเลยนะหนักเหลือเกินนะโดนตั้งแต่เกิดมาก็เป็นเด็กกำพร้าเอยคนที่รักก็ต้องจากไปโดนบททดสอบหนักหนาเหลือเกินไหนละความง่ายดายพี่น้องครับดูในภาพรวมถ้าเราดูในภาพรวมมันจะเพราะว่าในชีวิตของท่านลบีมัสลิซัมแน่นอนชีวิตมันต้องมีบททดสอบเพราะนี่คือโลกปัญญา แต่ในบททดสอบที่ท่านนบีมูฮัมหมัดสุลลัยสลามถูกทดสอบนั้นทุกบททดสอบจบสวยหมดเลยจบสวยอย่างง่ายดายด้วยเป็นยังไงครับเดี๋ยวเรามาค่อยๆพูดคุยกันอินชาอัลลอฮ์ครับผมในคําว่าวานูยัสซิรุกาลิยุสรอเนี่ยเราได้ทำให้ตัวเจ้านั้นเป็นความง่ายดายแล้วความง่ายดายนั้นมาเกิดกับเจ้าอย่างง่ายดายเจ้าจะทําอะไรก็ง่ายดายไปหมดแล้วอะไรที่เกี่ยวข้องกับนบีมีแต่ความง่ายดายอาญานี้ ไม่ได้จําเพาะท่านนบีมูฮัมมัดสโลฮ์ฮะเลสลามหมายความว่าย่งไรครับบางคนเลยจะบอกอ้าวพวกเราพูดถึงนบีเราไม่เกี่ยวอย่าลืมว่าท่านนบีมูฮัมมัดสโลฮ์สลามเป็นศาสนาทูตของพวกเราเราเป็นอุมมาประชาชาติของท่านเมื่อท่านนบีมัสลยิมเป็นผู้ที่มีความง่ายดายให้กับผู้อื่นคนที่ได้รับเต็มเตมคือพวกเราและเมื่อท่านนบีทําอะไรก็ง่ายทั้งอย่าพวกอย่างมันก็กลับมาหาเราแปลว่าศาสนาที่พวกเราส่งให้กับท่านนบีมัสลิมเป็นศาสนาที่ง่ายดายที่สุด ถ้าเราไปเปรียบเทียบกับศาสนาของยิวยิ่งชัดเจนเลยยิวนี่มีแต่ความเข้มงวดมีแต่ความหนักหน่วงสร้างเสรามง่ายได้บทบัญญัติง่ายได้การที่จะทําตนให้เป็นมุสลิมง่ายได้พูดจะตรงตรงัดใช้ธรรมจริงง่า ย, ยาคือจะทําการงานอะไรก็ง่ายได้จะพูดอะไรก็ง่ายได้จะคิดอะไรก็ง่ายได้เพราะแนวทางเป็นแนวทางที่สะอาดแล้วก็บริสุทธิ์ ธรรมชาติครับที่ว่าคนที่คุกคือกับสิ่งที่สกรปรกย่อมจะหลังเกี่ยสิ่งที่สะอาดแต่ถ้าเป็นมุสลิมที่เราทุ่มเทขัดเกลาจิต ใ, ใจตัวเองอย่างแท้จริงเมื่อจิตใจเราสะอาดเราจะพบว่าทุกสิ่งทุกอย่างน่ะมันง่ายดายมันไม่ได้ยากเลยเหมือนกับคนที่เขารักการละหมาดครับบางคนอาจจะถามเขาเดาคุณละหมาดได้ยังไงเนี่ยทั้งตาฮัดยุตทั้งอย่างนั้นทั้งอย่างนี้คนที่ไม่เข้าใจเขาก็ไม่เข้าใจทําได้ยังไงมันเห น, เ น, เนะเหนะชอรมานแต่สําหรับคนที่เข้าใจเขาก็จะ สงสัยเองเลยว่านี่คุณแปลกใจอะไรก็แค่ละหมาดไงเรารักอา๊อฟเรามีความสุขที่ได้ละหมาดเราก็เลยละหมาดเราก็เลยอยู่กับพวกไปเวลานานก็เหมือนกับเวลาคุณลุ่มหลงกับอะไรสักอย่างคุณก็อยู่กับมันได้นานใช่ไหมละ่ะเหมือนกับใครที่ติดบอลคุณก็ดูบอลได้วันหนึ่งสองสามชั่วโมงไม่เห็นจำเป็นต้องมีคําถามเลยว่าคุณทนดูไปได้ยังไงคุณมีความสุขในการทําคุณไม่ได้ทนเพราะฉะนั้นเช่นเดียวกันกันกบมุสลิมครับเมื่อเขาได้รับความง่ายดายในการให้ทําสิ่งที่ดีๆ มันง่ายไงคือเราจะรู้ไม่รู้สึกมันเป็นความยากเหมือนคนที่แบบว่าชอบให้ความช่วยเหลือผู้อื่นบางคนอาจจะสงสัยคุณช่วยไปได้ยังไงเนี่ยคุณไม่เหน็ดไม่เหนื่อยบ้างหรือคุณไม่ทรมานบ้างเหรือคุณไม่เกิดความสูญเสียคุณไม่งกไม่อะไรบ้างเหรือถ้าคนที่ได้รับความง่ายดายแล้วเขาจะไม่รู้สึกทรมานในการทําความดีพี่น้องจําให้ขึ้นใจนะครับถ้าใครก็ตามที่พัวล้อให้เขาได้รับความง่ายได้ในสิ่งที่ดี เขาจะไม่รู้สึกทรมานเลยในการทําสิ่งที่ดีแล้วก็ไม่ทรมานเลยในการเป็นคนดีเพราะะฉนั้นใครก็ตามที่ยังรู้สึกทรมานในการทําดีหรือในการเป็นคนดีแปลว่าเรายังไม่ได้รับความง่ายดายตรงนี้เราต้องมาตรวจสอบตัวเองว่าเราเกิดความผิดพลาดตรงไห น, นซึ่งการที่โพลัสอุบานุตร า, าบอกว่าเราจะได้เจ้านั้นง่ายดายได้รับสิ่งที่ง่ายดายอย่างง่ายดายเนี่ยเป็นการแจ้งข่าวดีจากโพลัสอุบานุตราละ แจ้งขาดีให้กับท่านนบีก่อนแล้วก็แจ้งขาดีให้กับพวกเราทุกคนแจ้งคาว ด, าดีกับท่านนบีตอนนี้อย่าลืมครับสุระอาลาถูกประทานมาตอนท่านนบีมัสยิดซัมยังคงอยู่ที่นครมะกาบและสอบหนักมากคนผู้ไปเสสัทธาอ่คนที่ทําร้ายอิสลามท่านนบีโดนกดดันในทุกรูปแบบซบาบะโดนทำร้ายในทุกรูปแบบเมื่อโพเราใช้คําว่าวานุยสีรุกริยุสโรเราจะได้รับทําสิ่งที่ง่ายๆอย่างง่ายๆให้ตัวเจ้าก็เป็นความง่ายดาย มันเป็นการแจ้งข่าวดีว่าท้ายที่สุดแล้วมุฮัมมัดเอ๋ยเจ้าจงอดทนเจ้าจงทําในส่วนของเจ้าให้ดีที่สุดแล้วเมื่อถึงเวลาทุกอย่างมันจะง่ายได้ถึงเวลาคนเรับอิสลามมายัางไงครับอับแวะแจมมาแบบเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มมาแบบมืดฟ้าหมัวดินมีแต่ความง่ายได้เกิดขึ้นแต่ก่อนที่จะเกิดความง่ายดายบททดสอบมันต้องมาก่อนเพราะฉะนั้นพี่น้องครับอยากจะได้ความหวานอย่างแท้จริงก็ต้องอดทน ลิ้มรสชาติความขืม่ขมความเปรี้ยวไปก่อนนี่คือธรรมชาติครับธรรมชาติแล้วถ้าเราดูครับหนึ่งในความง่าดาที่โพลลัสุบบาฮันจะให้กับท่านอับดุลโมสรรลฮ์ของอะลัยซัลลัมที่ท่านอบีได้รับอย่างชัดเจนก็คืออัลกุรอานเพราะยะ้ก่อนในนี้โพลละบอกยังครับสานุกุลิุก่าฟลาตันซาเราจะให้เจ้าได้อ่านแล้วเจ้าจะไม่ลืมมันให้ได้อ่านโดยไม่ลืมอย่างแง่าย พี่น้องอย่าลมเพราว่าท่านอับดุลเบี๋ยมอัสลลอร์ย์สลามเป็นอมมี่คือท่านนั้นอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้คนที่อ่านไม่ออกแล้วเราให้เขาท่องจำเนี่ยแล้วก็ไม่ท่องจำแค่หน้าสิบหน้าร้อยหน้าส0สิบยสี่เยอะมากๆนะครับให้คนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ท่องจำได้อย่างขึ้นใจเพราะอะไรครับพเพราะอยากเกิดความง่ายดาย ผู้อ่านบางท่านจะบอกจานเฉลียเนี่ยมันยากเลยเกินตอนแรกเนี่มันง่ายบอกว่าไงก่อนจะถึงความง่ายใดต้องผ่านอุปสรรคก่อนถ้าเราผ่านอุปสรรคไปได้พอเราอ่านกุรอานเป็นพอเราอ่านปุ๊บง่ายที่สุดในโลกแล้วพี่น้องง่ายกว่าการที่พี่น้องจานหนังสือพิมพ์ภาษาหลับหนังสือพิม พ, พ, พ, พ์ภาษาหลับยากง่ายกว่าการที่พี่น้องจะไปอ่านนิทานให้เด็กภาษาหลับอ่านกุรอานง่ายกว่าเยอะง่ายกว่าการที่พี่น้องจะไปอ่านกาบกรทั้งทั้งที่กาบก่รเนี่ยเขาบอกมันไพเราะ กับกรรภาษาละพี่น้องไปอ่านยากพี่น้องแล้วมันไม่ได้ไหลลื่นแต่กุรอานนั้นง่ายได้เวลาอ่านไหลลื่นเพียงแต่ก่อนที่เราจะไปถึงจุดที่ง่ายได้เนี่ยมันต้องผ่านความยากลําบากก่อนแต่เมื่อผ่านไปได้เมื่อพี่น้องผ่านไปได้ไม่มีการอ่านอะไรอีกแล้วในโลกดุนยาที่จะง่ายเหมือนกับการอ่านอัลกุรอานโดยท้งถ้าเกิดเราอ่านสุราเลยเป็นประจำอย่างวันนี้วันศุกร์เนี่ยพี่น้องหลายหท่านก็อ่านสุราคาฟี่เป็นประจําบางท่านอาจจะบอกในตอนแรกเนี่ยอาจารย์น่ยกว่าฉันจะอ่านได้แต่ละหน้าเนี่ย เหนื่อยบางทีหน้าหนึ่นเป็นครึ่งชั่วโมงแต่ยังไงครับเมื่อเราทุ่มเทให้กับอัลกุรอานเมื่อเราแสดงความจริงใจเมื่อเราผ่านบททดสอบของผู้อ่านหลายหลายท่านครับไม่ถึงครึ่งชั่วโมงสามารถอ่านสุรกาฟี่จบแบบถูกต้องแล้วมีคุณภาพไม่ได้อ่านแบบไร้คุณภาพนะอ่านแบบถูกต้องอ่านอักขระอักษรต่างๆมัคคาร์ัชวิตเตอร์ตีน ท, ทั้งหมดเนี่ยอ่านถูกต้องแล้วก็ใช้เวลาเพียงไม่ถึงคึ่งชั่วโมงได้คุณภาพด้วย วานุญาติรูการิยุสระให้เจ้าเป็นความง่ายได้แล้วก็ได้รับความง่ายได้อย่างง่ายได้นี่คือการแจ้งข่าวดีแล้วหมายความว่าไงครับเมื่ออัลกุรอานง่ายความหมายง่ายไหมความหมายก็ง่ายบางท่านก็บอกบางท่านจะบอกอาจารย์โอ้ฉันเรียนอย่บางบังบา ง, บา ง, บางอาย่าน่ะคุยกัน20กว่าตอน30กว่าตอนนี่ไม่ใช่ความยากแต่นี่คือความลึกซึ้งคือหนึ่งว่าอ่านปุ๊บอ่านแปลเข้าใจเลย แต่ในความเข้าใจเนี่ยยิ่งเรามาคุ้นคิดมันจะยิ่งแตกฉานขึ้นยิ่งเข้าใจมากขึ้นยิ่งรักอัลกุรอานมากขึ้นเพราะฉะนั้นที่ว่าใช้เวลานานๆเนี่ยไม่ใช่เพราะกุรอานยากแต่เพราะกุรอานลึกซึง้งอายะเดียวพี่น้องทําความเข้าใจได้ตลอดชีวิตเลยทําการศึกษาแล้วมันก็จะพบความลึกซึง้งลึกซึง้งลึกซึ้งลงไปเรื่อยๆพี่น้องศึกษาฟาติฮะตอนเด็กมาศึกษาตอนวัยรุ่นแล้วลองมาศึกษาตอนที่โตลองมาศึกษาตอนเป็นผู้ใหญ่เราจะพบว่าวรักเดิมเลย อ่านก็ไม่เบื่ออ่านตลอดชีวิตพี่น้องเคยสังเกตไหมสำหรับฟาติฮะเราอ่านทุกวันเอาพูดกันจริงๆครับสำหรับมุสลิมมีใครเบื่อไหมไม่เบื่อปกติเราจะทําอะไรซ้ํำๆบ่อยๆมันจะมีความเบื่อแล้วอย่างจะอ่านหนังสือจะเป็นหนังสือที่พี่น้องรักชอบแค่ไหนก็ตามเนี่ยอย่างมากกวสิบรอบร้อยรอบเราบอกอ่านไม่วนเหนื่อยเรอาอาจจะอ่านแค่ร้อยรอบแค่นั้นยังไงมันก็ต้องเหนื่อยมันก็ต้องรู้สึกว่าอ่านาเนี่ยเดนบ้าง ทับภาพในสระฟาที่ภพี่น้องที่ดูบิสมิลลาฮิลลอห์มานิลอร์หิมีมอัลฮัมดุลิลลาฮิรับบิลอาลามิลแล้วงานาตลอดชีวิตถูกไหมครับผมยิ่งถ้าเกิดพี่น้องเป็นมุสลิมแต่กําเนิดเราอ่านมาแทบจะตั้งแต่เกิดบางคนนี่คือสองสามขวบ ก, ก็คุ้นเคยได้ยินฟังได้ฟังมาตลอดบางคนก็ท่องจําได้ตั้งแต่เด็กๆกแล้วก็อ่านมาตลอดในละหมาดทุกเวลาตอนละหมาดทุกกรก้าอ่านเหนื่อยไหมลําบากไหมยากเย็นไหมหรือว่าเหนื่อยนายไหมหน่าเบื่อไหมไม่มีเลย วานุยัสซีรูการิลยุสรออ่านง่ายท่องจาง่ายเมื่อถึงจุดหนึ่งถ้าเราทุ่มเทเราผ่านความยากลําบากมาแล้วมันจะง่ายพี่น้องบางท่นนั้นิหนึ่งอายะท่องเป็นอาทิตย์บางครั้งท่องเป็นเดือนจริงๆแต่เมื่อคุกคีกับโุราณมากๆวานุยัสซีรูการิลยุสรอบางทีเนะี่ยหนึ่งชั่วโมงหนึ่งหน้าได้ ได้แบบสามารถมาทวนได้แบบดีๆด้วยวานุยัสซีรุกลัลยุสรอะให้เจ้านั้นเป็นความง่ายดายแล้วก็ได้รับความง่ายดายมาอย่างง่ายดายนี่คือการแจ้งข่าวดีสตีปัญญาสามารถทําความเข้าใจอิสลามได้อย่างไม่ยากแล้วก็คําสอนของอิสลามสอดคล้องกับใจของมนุษย์สอดคล้องกับความคิดของมนุษย์การรักษา จ, จิตใจการรักษาร่างกายการรักษาสิทธิอิสลามมีกล่าวไว้หมดเพราะฉนั้นวานุยัสซีรกลัลยุสรอสสาอาศัยตามจะเป็นศาสนาที่ง่าย บางคนบอกง่ายอะไรเนี่ยเข็นงวดกดอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดนั่นคือช่วงแรกไงคือก่อนที่เราจะเข้าถึงความง่ายดายมันต้องมีบททดสอบมันต้องผ่านความยากลําบากมาก่อนแต่ถ้าเมื่อผ่านได้แล้วมันมีแต่ความง่ายดายถ้าเราเคยชินเราไม่รู้สึกยากลําบากอะไรเลยกับการที่ว่าไปไหนมาไหนไม่ต้องกินเนื้อหมูไม่ต้องกินเหล้าไม่ต้องกินเอ่อเลือดไม่ต้องกินสิ่งที่ฮาลอมแล้วกลับรู้สึกดีกับรู้สึกถึงความสะอาดของบริสุทธิ์ในร่างกายด้วยซ้า วานุยาซิรุกาลิยุสรอฟะอินนามาลาอุสียุสรออินนลสยุรอความยากนะมันจะมาก่อนแล้วความง่ายใดมันจะตามมาอย่างมากมายมหาศาลนี่คือสิ่งที่พบเรุษบอกไว้เพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นก้าวแรกมันจะดูยากแต่ถ้าผ่านไปได้โดยเฉพาะเรื่องของศาสนานะพี่น้องโดยเฉพาะอัลกุรอานนะถ้าพี่น้องผ่านจุดที่ยากมาได้ยุสรอวานุยาซิ uka าลิยุสรอเราจะทําให้เจ้านั้นพบกับความง่ายใดเพราะฉะนั้น การอ่านการท่องการทําความเข้าใจพวกเราทําให้กรอานนั้นง่ายแล้วเหมือนกับชี้โอกาสว่าไงครับเวลเราก็ยึดซัลอัลกุรอานในหลักิฟานมมุดเดกันเราได้ทําให้กุรอานมันง่ายแล้วนะสําหรับการใขว้ควรสําหรับการเข้าใจสําหรับการท่องจําแล้วมีใครน่ยได้คิดได้คุ้นคิดบ้างล่ะเพราะฉะนั้นมันเป็นเพียงข้ออ้างของคนที่เกียรติค้านหรือข้ออ้างของคนที่ไม่เข้าใจที่เขาจะไม่ศึกษาอัลกุรอานศึกษากุรอานนะครับมีความเข้าใจอย่างเนี้ย มากมายมหาสารมีความลึกซึ้งมีความงดงามพี่น้องอาจจะบอกว่าฉันไม่ชอบสไตล์จาย์ท่านนี้ก็ฟังสไตล์จันท่านอื่นเหมือนเวลาฟังอ่านกุฎอ่านเฉยๆเรามีเชคผู้รู้เป็นจํานวนมหาศาลที่อ่านบางคนอาจจะบอกฉันชอบสไตล์เชคชูเล่บางคนบอกฉันชอบสไตล์เชคซูเดสบางคนบอกฉันชอบสไตล์เชคมัชารีรอชิตบางคนอ๋อจัสไตล์ไหนก็ตามแต่ซูพานอวะต้องมีสไตล์ที่เราชอบแล้วเราฟังแล้วเราต้รู้สึกชอบไป ซุบฮานัลลอฮฺซุบฮานัลลอฮฺครับอพี่น้องคนเดลินธรรมดานะครับสาลามะวะริกุมสาหามุลลอฮฺวะบารักการ์ตูบอกว่าตอนนี้ป่วยแล้วก็นอนฟังการ ส, สอนอยู่ชะฟากุมุลลอฮฺฉะฟาคุมุาามลลอฮฺขอพลอสุบะตราทรตอบแทนให้คุณงามความดีกับบททดสอบที่พวกทดสอบคุณเดลินธรรมดาแล้วก็ขอให้มาเป็นฮิกม่าเป็นสิ่งที่ดีงามที่ตามมาให้เป็นผลละบุญให้ได้ตาให้อยู่ในตาช่างที่ดีงามแล้วก็ขอให้หายป่วยในเร็ววันเช่นเดียวกับพี่น้องท่านอื่นด้วยนะครับผม พี ality, ่นี่ س ل ا มานะครับวาริกุณ์ส alam ุ์อัลตุลลาห์วบรักาตุแล้วก็คุณอาสอานะครับสลามาก็ว่าาเลิกุณ์ส alam ุัลรัมตุลลาห์วบรักาตุครับผมเช่กับคุณฟติมานะครับสลามาว่อัลิกุณ์ส alam ุอัลตุลลา a ์วบรักาตุท่านใดผมไม่เห็นข้อความขอมาอาด้วยนะครับผมครับวานุยาซิรุกะลิลยุสรอเรามาดูกันต่อครับ การที่พวกลอสุบฮานุวัตตาบอกว่าเราได้ทําให้ตัวของเจ้ามีความง่ายได้ได้รับความง่ายได้อย่างง่ายดายเนี่ยถือว่าในแปลนภาษาลาภคือเป็นสุดยอดของความง่ายดายแล้วคือปกติสำนวนอาจจะใช้คําว่าวานุยัสซิลยุสรอและแกะเราใช้ความง่ายได้เนี่ยมาเจอเจ้าอย่างง่ายๆ่นี่คือสำนวนที่มนุษย์พอจะคิดออกสำนวนที่เราพอจะคิดออกให้เจ้าได้รับความง่ายดายอย่างง่ายๆ แต่ในองค์การนี้เราจะให้เจ้าเลยเจ้านะ่ะเป็นความง่ายดายได้รับความง่ายได้อย่างง่ายๆจึงเป็นการที่ย้ำที่โปรลัษสุภามตราให้บอกให้ท่านอับเบียลสลามได้รู้ให้ซาฮบะรู้ให้พวกเราได้ตระหนักว่านี่คือความเมตตาของโปรลัษสุภามตระอย่างสูงสุดที่ให้ศาสนาที่ง่ายได้แก่เราที่ให้ท่านอบเบียลมอลสลอร์สลามซึ่งเป็นศาสนาทูต ท, ที่มีความง่ายได้มากที่สุด แล้วก็รักให้เกิดความแง่ใดกับประชาชาติของท่านพี่น้องเคยสังเกตไหมถ้าเกิดคนบางคนที่เขร่งเค่งเนี่ยเขาจะเลือกแต่เส้นทางที่มันยากยากลําบากพอเลือกอะไรให้ครอบครัวเองก็จะเลือกแต่เรื่องที่มันยากยากลําบากหวังว่าจะได้ผลบุญมากมายมาสาักแต่พอเป็นท่านนบีมูฮัมมัดสลลาะอิสลามไปยังไงครับที่อิชชับบอกว่าไงมาคุยเรื่องนบีสลลาะอิสลามไปได้นอิสนาอิลล้อิซาระหูมะมาละมยจกุอิสมันอักออติยารหิท่านนบีมุส ล, ลิมได้บอกไว้ครับว่าท่านหญิง ท่านนบีมูฮัมมัดสลารห้องอะไรทีลล่วัซน ล, ลัมเนี่ยเวลาเมื่อไร่ก็ตามที่ผู้ร้อยท่านนบีเลือกที่ท่านนบีมีสิทธิ์เลือกคืออิสลามในด้วยความเมตตาของผูลร้อยพู้ร้อยมีความง่ายายตั้งแต่ตอนส่งมาให้ท่านนบีละให้ท่านนบีได้เลือกได้อยากเลือกทําอะไรละ่ะถ้าท่านนบีมีสิทธิ์เลือกท่านนบีจะเลือกสิ่งที่ง่ายที่สุดถามว่าวท่านนบีขี้เกียจหรือไม่ครับ สำหรับท่านนบีเองเนี่ยท่านนบีเลือกหนทางที่อยากลาบากให้กับตัวของท่านเองด้วยความที่ท่านรักองค์ละมากท่านไม่เลือกหนทางสะดุกสบายเวลาท่านนอนท่านตื่นนอนมาหลังท่านมีแต่รอยเพราะที่นอนท่านไม่ได้นุ่มสบายเหมือนกับพวกเราทสด็จไอชาร้องไห้เมื่อเห็นรอยหลังของท่านนบีบอกว่านี่คือศาสนาพูดขอละคนที่ประเสริฐที่สุดในโลกแต่เขาไม่ได้เลือกชีวิตที่สะดวกสบายแต่พอเลือกให้กับคนอื่นท่านนบีเลือกแต่สิ่งที่ง่ายเท่านั้น ท่านอบเียร์เองทําแต่ยากลําบากละหมาดตาฮัดยุตท่านอบเีถือว่าเป็นวาญิบสําหรับท่านท่านลุกมาละหมาดตาฮัดยุตทุกค่าคืนจะมากจะน้อยท่านต้องลุกมาละหมาดตาฮัดยุตแต่พอเป็นประชาชาิของท่านท่านไม่ได้บอกเป็นวาญิบเช่นเดียวกันครับกัแบบเรื่องการละหมาดตาเราแวะในช่วงเดือนรอมฎอนที่ช่วงแรกท่านนับียเนี่ยท่านก็ละหมาดปกติที่มัสยิดก็มีซอฟบ้ามาละหมาดตามวันแรกซอฟบ้ามาตามวันที่2เขากระจายข่าวว่าท่านอบีละหมาด ดา่นะาัตยุทธ์ท่านบีละหมาตตรอเวียนะมาละหมาดด้วยกันสิก็กระจายข่าวปากสู่ปากคนมาเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นผลสุดท้ายท่านบีมูฮัมหมัดสลายสลับไม่ออกมาละหมาดกับซอบาท่านบีละหมาตคนเดียวซอบาถามยาละสู่แล้วทำไมท่านไม่ออกมาเราอยากละหมาดกับท่านท่านบีมูฮัมมัดสลายบอกไงครับฉันกลัวว่าถ้าพวกท่านมาละหมาตกันเยอะอย่างเงี้ยแล้วพวกท่านมีความสามารถอย่างเงี้ยฉันกลัวว่าพวกเราจะให้การละหมาตตารอเวียเป็นวายิบแล้วฉันกลัวว่าบางส่วนของพวกท่าน จะรับไม่ได้มันจะหนักเกินไปนี่คืออะไรครับความเมตตาที่โพลล์เป็นผู้ที่มีให้โพลล์เป็นผู้ที่มีความง่ายดายให้กับบ่าวแล้วค่อยศาสนาทูตของพระอวกนั้นคิดแต่เรื่องที่ง่ายดายให้กับบ่าวตราบใดก็ตามที่มันไม่ผิดไม่ผิดที่มุสลิมจะชอบความสบายตราบใดก็ตามที่มันไม่ใช่สิ่งที่หารอ้อมันไม่ใช่สิ่งที่ทาให้เกิดการตัดขาดเครือญาต มันไม่ใช่สิ่งที่ทำไม่เกิดการสูญเสียเพราะนั้นไม่ผิดที่จะรักสบายตราบใดก็ตามที่เรารักษาอามานะของเราดีๆพี่น้องจำได้ไหมเรื่องราวของนบีมูซาตอนที่ท่านนบีมูซาพบกับความยากลำบากเป็นไงครับท่านนบีมูซาขอว่าไงรับบิชราฮิสดารีวายาเซรนิอัมรีฟูโโลาะปวดให้หัวใจของผมมีความปลอดโปร่ง แล้วขอให้สิ่งที่ผมจะทําเนี่ยมันง่ายได้คนเราเวลาเจอความยากลําบากที่มันหนักหนักเราก็ต้องอยากได้ความง่ายดายถูกไหมครับถ้าเกิดว่าเป็นผู้ไปเสียสธาขอก็ว่ามันหนักมันก็ต้องดันทุนลังผ่านไปให้ได้นั่นแหละแต่สำหรับมุสลิมเรารู้ว่าพระเจ้ามีจริงเรารู้ว่าในความยากลําบากพวกเราพร้อมจะหยิบยื่นความง่ายได้ให้เพราะฉะนั้นการเตรียมใจที่จ ะ, ะเผชิญหน้ากับความยากลาบากเนี่ยมันต่างกันมุสลิมพร้อมทุกสถานการณ์ จะเป็นสิ่งที่ดีสิ่งที่เขาชอบสิ่งที่เขาไม่ชอบเป็นความป่วยไขย้จะเป็นเรื่องการสูญเสียจะเป็นความหวาดกลัวจะเป็นเรื่องความเสียใจหรือจะเป็นความสุขจะเป็นความรู้สึกปลื้มปิติเราพร้อมรับทั้งหมดเพราะเรารู้ว่าไงครับถ้ามันจะมีความยากลำบากมันจะมีความง่ายดายอยู่ในนั้นแล้วไม่ว่าบททดสอบจะเป็นรูปแบบไหนก็ตามพวกลัสุภาอัลาก็พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือ แล้วก็พร้อมที่จะตอบแทนให้กับเราเพราะงั้นครับวานุยาซิรุกแกเลยุสรอพี่น้องที่รักครับเวลาที่ท่านนบีมุสลัิมเนี่ยท่านเลือกท่านตัดสินอะไรท่านก็จะเลือกหนทางที่ง่ายที่สุดตอบใดไปตามที่หนูไม่ผิดแล้วเวลาที่ท่านแต่งตั้งทูตของท่านท่านก็ย้ำเตือนในเรื่องนี้ครั้งหนึ่งครับท่านนบีมุสลิมได้แต่งตั้งตัวแทนของท่า น, นสองคนไปที่เมืองเยเมนไปทําการเผยแผร่ไปทํากา ร, การดาวะผู้คน ท่านระดีมอสซาเรซมได้พูดไว้สั้นๆครัว่าบัชเรเวลาตูนเฟรอเวลาไปเจอผู้คนนะพยายามไปพูดอะไรที่จะทําให้เขารู้สึกดีไปบอกข่าวดีให้กับเขาอย่าไปทําอะไรให้เขาเนี่ยแต่เพิดให้เขาเนี่ยเกียดกลัวอิสลามพี่น้องเคยไม่หลักคนเป็นพ่อเป็นแม่บางทีเราสอนลูกเนี่ยยัดเยียดนรกให้ลูกอย่างเดียวลูกไม่ทางเงี้ยลงนรกนะลูกงี้ลงนรกนะลูกนี้ล็อกเกลียดนะเนี่ยนี่ลูกใหญ่เป็นคนชื่อหรือลูกงี้ ถามจริงๆถ้าเราโดนคนพูดแบบนี้เรารู้สึกยังไงเราไม่ชอบแล้วบางทีเราไปยัดเยียดให้กับลูกเราบางทีเราเป็นเหตุให้ทําให้ลูกเราเนี่ยเกลียดพวกลอติซัมลูกเราคิ ด, ด้วยอะไรเนี่ยทำไมพระเจ้าทําไมมีแต่ความโหดร้ายมีแต่ความป่าดเจ็บบางทีเขาไม่กล้าพูดออกมาแต่มันฝังไปในใจเขาแล้วความรู้สึกเกลียดพระเจ้าความรู้สึกเกลียดอิสลามความรู้สึกเกลียดท่านบีมุสลลอมของอะลัยสัลลัมเพราะอะไรครับนักฟิโรเราเป็นคนที่ทําให้เขาเน้นแต่เพิดกลัวจากอิสลาม เพราะนั้นท่านนบีบอกกับทูตของท่านนะบางคนบอกความจริงพูดไปสิจะไปกลัวอะไรก็ดา่าไปก็พูดหยาบไปสิฉันเป็นคนหยาบฉันก็พูดหยาบคนฉันอย่างเงี้ยใช้ฉันโกหกเหรอใครที่เป็นคนหยาบเนี่ยแปลว่าเขาไม่ทําตามแบบนบีพี่น้องรู้เลยแปลว่าเขาเนี่ยเป็นคนแรกนะที่ไม่ได้ทำตามสุนนะท่านนบีมาสร้อยสนามเพราะท่านนบีไม่ใช่คนหยาบแล้วท่านนบีไม่เคยแต่งตั้งใครเป็นตัวแทนท่านไปแล้วให้ไปทําเรื่องหยาบคายไม่มี พราะการที่บอกว่าฉันพูดความจริงฉันพูดอยากพูดถอยได้เป็นเพียงข้ออ้างของคนที่ไ ร, ร้มารยาทเท่านั้นเป็นเพียงข้ออ้างที่ฟังไม่ขึ้นด้วยฟังไม่ขึ้นด้วยของคนที่ไ ร, ร้มารยาทท่านพี่บอกไงนะบัชเชอระเวลาตัวนัฟเฟอร์รอจงแจ้งข่าวดีไปบอกเขาไปพูดสิ่งดีๆให้กับเขาแน่นอนมันต้องเตือนเรื่องนรกแน่นอนแต่ว่าใจของมนุษย์เนี่ยโดยธรรมชาติแล้วเราเจอเรื่องที่กดดันมากๆในเราใจรู้สึกอยากจะเผ่นงี้ เราจะอยากอยู่อะไรที่มันสบายๆฟังแล้วมันรู้สึกสบาย อ, อกสบายใจท่านนบีก็พูดแล้วให้สร้างความสบาย อ, อกสบายใจแต่ในขณะนเปีวนแน่นอนเราก็ต้องเตือนผู้คนให้รู้ถึงอันตรายที่เราอยู่แต่ไม่ใช่ว่าแจกนรกไปทั่วต่อให้มันเป็นความจริงก็ไม่ใช่สุ น, นัขของท่านนบีที่จะไล่แจกนรกไปทั่ว b a s h i r n a i w a j a s i tu a พยายามทาให้มันง่ายๆอย่าไปทาให้มันยากๆ คืออย่าไปเป็นคนมากเรื่องนะครับโดยเฉพาะคนทำ ง, งานศาสนาอี่ยไปเรื่องมากจ่ิงาฉันจะไม่ทําจนกว่าจะนั้นจนกว่าจะอย่างนี้ถ้าเกิดว่าผู้ฟังเนี่ยเขาไม่มาพี่นอกพี่เท้าฉันฉันไม่ฟังถ้าเกิดเขาไม่ยกย่องฉันฉันฉันจะไม่พุยถ้าเกิดว่าเขาไปฟังอาจารย์คนอื่นนะแล้วก็ฟังฉันด้วยไปฟังอาจารย์คนอื่นเนี่ยฉันจะไม่ยอมอันนี้คือทําตัวให้เรื่องมากท่านบิบอกไงครับยาเซรอวัลัสวัลเรอทําตัวให้มันง่ายๆทําตัวเป็นคนที่ให้ผู้คนนั้นเข้าถึงง่ายๆโดยเฉพาะ คนเป็นผู้รู้คนเป็นครูบาอาจารย์คนทํางานศาสนาต้องทําตัวง่ายๆให้ชาวบ้านเขาสามารถเข้ามาได้เพื่อมาปรึกษากับเราได้แน่นอนเราต้องสอนแต่ความถูกต้องเราต้องสอนสัจธรรมแต่ก็ต้องอย่าลืมว่าในการสอนสัจธรรมเนี่ยเราก็ต้องให้มันง่ายสำหรับผู้คนบางคนเวลาพูดก็คือคุยแต่เรื่องยากๆจนผู้คนฟังปุ๊บไม่เข้าใจแต่เออเออมันน่าจะดีมันน่าจะถูกยาสีรอเวลาตัวยาซีรอหนึ่งในการบ้าน ของผู้รู้หรือคนทํางานศาสนาทุกคนครับต้องพยายามทําให้มันง่ายไม่ใช่บอกว่าเออเรื่องนี้มันยากน่ยไม่ต้อ ง, งคุยพยายามหรือยังล่ะพยายามทําให้มันง่ายหรือยังพยายามทําให้คนอื่นเข้าใจสิ่งที่ง่ายแล้วหรือยังล่ะอย่างบางคนก็อย่างในคอร์สที่เราพูดคุยกันคอร์สฟิกมุกรนันฟิกคอร์สเบียบเทียบ บ, บางคนก็ยากนะี่ยมาคุยทําไมฉันอยากได้แบบสําเนารูร่ฉันอยากได้ตามนาบีนี่คือไม่เข้าใจเรื่องฟิก พอถ้กิดพีน้องที่เรียนฟิกหมุกรองจะรู้ก็นี่ไงตามนาบีหมดเลยในที่คุยกันเนี่ยสาระเนี่ยตามนาบีหมดเลยมันเป็นความแตกต่างที่เกิดจากความเข้าใจไม่ใช่เป็นเรื่องของการครั่งผู้รู้แต่เป็นการยึดตามแบบฉบับที่อัลลอฮ์และเราศู์สัส่งนี่ก็ยาซีรอเวลาตัวยซีรอซึ่งท่านนบีมูฮัมมัดสุลต่านถ้าเกิดเราดูในตัวของท่านเนี่ยแทบไม่มีเรื่องของความ ต้องบอกว่าไม่มีเลยไม่ใช่แทบไม่มีไม่มีในรูปของความหยาบกระด้างหรือความแข็งก้าวท่านอบีมีความเข้มแข็งมีความอาหารการในการเป็นมุสลิมเจอศัตรูเนี่ยสู้แบบไม่กลัวอันนี้เขาเรียกว่าความเข้มแข็งแต่ไม่ใช่ความหยาบคายหรือว่าแข็ง ก, งก ร, ระด้างเพราะว่าก่อนวันนี้ผู้เราบอกเองพเพราะว่าสรุปคุณลักษณะของท่านอบีเองว่าไงครับฟาบีมาะราะมาติมมีนลัลลอฮินินตล่ละหุมว่วาเรคุณตาฟัดดันกัลิสัลกลบบลันฟัดดูมินฮาวลิกฟ้าูอันหุม บัสเฟิทละหุมบ uh um ัสชาวิทหุม e ฟิลามฟาอิดะอามตาฟะตาวัคตละอัลลอฮอินลลอฮฺย <promotions> ุฮ <own> ิบุลมุตวักกีดนสร้าอิมรัลยตินะเาไงครับพราะบิมารอหมัดมินัลลอฮเพอมันเป็นความเมตตาจากพว้อัลลอฮ์เนี่ยที่ทำให้เจ้ามูฮัมหมัดเนี่ยมีความอ่อนโยนกับผู้คนแปลว่าใครก็ตามที่เขามีความสามารถที่จะทางานศาสนาโดยที่เป็นผู้ที่มีความอ่อนน้อมทําตนได้ด้วยนั่นคือความเมตตาจากอัลลอ์ที่มีให้กับเขา นั่นคือความเมตตาชาวลัทธิที่มีให้กับเขาเมื่อมีความอ่อนน้อมถอนต้นก็ต้องมีความเข้มแข็งแล้วก็ต้องมีจุดยืนที่ชัดเจนไม่ใช่อ่อนน้อมถอนต้นแล้วก็อะไรก็ได้หมดยอมไปหมดไม่ใช่ความชัดเจนมุสลิมต้องมีแต่เราสามารถมีความชัดเจน ด, ด้วยพร้อมกับมีความอ่อนโยนด้วยพร้อมๆกันได้นี่คือแบบอย่างที่ท่านลบีมูฮัมหมัดสลลอมทำเอาไว้เป็นแบบอย่างครับผม เพราะกล่าวไงครับด้วยความเมตตาของอกลอที่มาจากกลอที่ทำให้เจ้าในอ่อนโยนกับพวกเขาแล้วหากเจ้าเนี่ยเป็นคนที่หยาบคายมีหัวใจที่แข็งกระด้างผู้คนย่อมจะหนีตเตลิดไปจากเจ้าอาจจะมีพวกบางคนที่ชอบของแรงๆบางคนที่เป็นคนหยาบคายก็ชอบความหยาบคายเหมือนกันอาจจะมีคนประเภทนั้นแต่น้อยน้อยครับที่จะได้เป็นคนดีเพราะพื้นฐานของคนดีเขาจะรังเกียจความหยาบ อพูด ม, มาจากกราุรอานเอามาจากแบบอย่างของนบีบางคนจะบอกเนี่ยนะบางทีก็มีเรื่องไข่กระด้างเอาเหตุการณ์ยกใครมาล่ะบางทียกดสรับแน่นอนสลับมีถูกมีผิดแต่บางคนยึดสลับมาคนสองคนแล้วก็บอกนี่แหละต้องแข็งเข้าต้องหยาบคลายต้องหยาบกระด้างในทุกๆเรื่องมันเป็นข้ออ้างครับพี่น้องมันเป็นข้ออ้างเอาตามนาบีสิยึดนบีสิแบบอย่างนาบีชัดเจนเนี่ยทําไมต้องไปหลบหลีกทําไมต้องไป ยึดอย่างอื่นในเมื่อเราก็อ้างว่าเราต้องตามนาบีแต่พอเป็นเรื่องที่เราทําไม่ได้เรากลับไปอ้างอย่างอื่นเขาเรียกว่าไงเขาก็เรียกว่าสองมาตรฐานนาอูาาาาาา ร, อ ร, รุบินลายมิรัดมิรัดได้ขอพระคุ้มครองผมให้รอดพ้นจากการเป็นคนสองมาตรฐานแล้วก็คุ้มครองพี่น้องทุกคนให้รอดพ้นจากบุคคลที่สองมาตรฐานเอาดีใส่ตัวเอาช่วยคนอื่นพระรกษมณกล่าวย้ำว่าไงนะครับหากเจ้าเป็นคนที่มีความหยาบคายแล้วหัวใจห ย, ยาบกระด้างเนนะ่ยผู้คนเตลิดไปหมด พูดแล้วกล่าวว่าไงครับฟ้าฝอันหุมสุบฮานะลอนี่คือสุดยอดของความง่ายดายสุดยอดของความอ่อนโยนพูดแล้วบอกถ้ามีคนเตลดนะิดเน่ยคนที่เผ่นไปเนี่ยบางทีเราพูดความจริงคนเผ่นไปเป็นไปได้ครับบางทีเราบอกเราก็พยายามนําเสนอรูปแบบดีที่สุดแนละ้วแต่คนมันตะเลิดไปพูดแล้วบอกไงครับฟ้าฝัวอันหุมประการแรกยกโทษให้เขาก่อนให้อภัยเขาก่อน ไม่ใช่เป็นนั่งเคียดแค่แล้วก็บอกไอเนียเนี่ยมันไม่ยอมรับฟังสัจธรรมมันเป็นคนชั่วตัดสินความตัดสินคดีเรียบร้อยแล้วตัดสินคนไปเรียบร้อยพราะว่าบอกถ้าเกิดเขาตเตลิดไปประการแรกเนียยกโทษให้เขาก่อนในเรื่องของมารยาทที่ไม่ดีของเขาส่วนเรื่องที่เหลือเนี่ยระหว่างเขากับอัลลอฮ์ผู้อัลลอฮ์จะจัดจา ก, การเองพู้อัลลเป็นผู้เมตตาแล้วก็เป็นผู้ที่เด็ดขาดว่าฟูอันหุมแต่ว่าจิตใจของเราเนี่ยต้องเป็นจิตใจที่มี การให้อภัยกับพี่น้องของเราให้ได้ก่อนแปลว่าหัวใจของมุสลิมต้องเป็นหัวใจที่สามารถให้อภัยได้ไม่ใช่ไม่ใช่หัวใจที่ว่าดําดิ่งหรือว่าจมอยู่แต่กับความเกลียดชังถ้ามุสลิมทํำอย่างนี้ได้ครับกระแสะความเกลียดชังกระแสะการทะเลาะมันจะลดไปเยอะเลยแต่ปัจจุบันมันเกิดอะไรขึ้นละ่ะชอบเอาดีใส่ตัวเอาชั่วให้คนอื่นพือถึงเวลาปุ๊บก็วดด่าว่าคนอื่นแล้วก็ทําตัวเหมอือนกับตัวเองนั้นไม่ผิดอะไรทุกคนพูดแบบนี้หมด สังคมมันก็แตกแยกสิครับเพราะสังคมก็คิดว่ามีแต่เขามีแต่กลุ่มเขาที่ถูกแล้วก็โยน์ความช่วยให้คนอื่นไปเรียบร้อยหัวใจให้มีการให้อภัยก่อนศัตรธรรมคือศัตรธรรมเราไม่ได้บิดเบือนศัตรูธรรมแต่เราต้องขัดเกลีหัวใจของเราให้สะอาดเพราะนี่คือคําสั่งของอัลลอฮฺซุบฮฺฮาหนุวะตาละไม่ใช่ว่ารักษาจุดยืนแล้วคิดว่าจุดยืนของตัวเ อ, ง, องคือความถูกต้องอัลกุรอานคือความถูกต้อง อิสลามคือความถูกต้องแต่เราเนะี่ยไม่ใช่ความถูกต้องต้องแยกให้ออกซึ่งบางทีมันก็กล้ำกลืนเขาก็ขอร้องนิสตาพวกเราทุกคนฟ้าฟัวอันหุมวะเซฟฟิทละหุมไม่ใช่แค่อภัยให้เขานะคําว่าอภัยให้เขาคืออะไรครับอภัยในสิ่งที่เขาล่วงเกินเราสิทธิ์ที่เรายกให้เขาได้แต่ถามว่าเรายกโทษในบาปเขาได้ไหมเราจะบอกได้ไหมว่าโอเคงั้นบาปตรงเนี้ยฉันยกให้การอภัยในบาปเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮ์อัลลอฮ์จึงบอกว่าไงครับ จงอภัยให้กับเขาแล้วจงขอให้อัลลอฮ์ยกโทษให้กับเขาหัวใจของคนทำงานศาสนาต้องเป็นแบบนี้ให้ได้แล้วก็ไม่ใช่มองโลกเง่้บวกอย่างเดียวนะพี่น้องมันต้องอยู่แบบตรงกลางก็ไม่ใช่ว่าแข็งสุดๆแล้วก็ไม่ใช่ว่าอ่อนจ้ะนบีเป็นแบบอย่างแล้วไงก็อัอฮ์บีเป็นแบบอย่างแล้วแหละถ้าบีอ่อนตรงไหนเราอ่อนตรงนั้นถ้าบีเข้มแข็งตรงไหนเราก็เข้มแข็งตรงนั้น ไม่ต้องเอาตัวของเราไปตัดสินอิสลามคําสอนชัดเจนตัดสินไปตามนั้นส่วนเรื่องของตัวคนถ้าเขาล่วงเกินเราสิทธหักบุลอาดมบางทีคุยเรื่องศาสนาเขามาด่าว่าเขามาขุดความชั่วของเรามาประจานเขามานินทาใส่ร้ายอาภัยให้เขาได้ให้อภัยเพราะเราบอกฟ้าฟัอันหุมเป็นคําสั่งจากขเขาเหรเราอาจจะรับไม่ได้เราอาจจะรู้สึกโกรธรู้สึกแค้นแต่พวกเราบอกว่ายกโทษให้เขาอาภัยให้เขาเถอด เราก็ซ้ำอันว่ตออาผู้ล้อบอกผู้ล้อสั่งอย่างนั้นเราก็ในสิ่งที่เป็นฮักกุนอาดัมอภัยให้กับเขานี่คือหัวใจของมุสลิมและจะเป็นหัวใจที่สะอาดพี่น้องอย่าลืมนะเลเยามาลายังฟูมาดูเวลาบาญุอิลลามันอัลลอฮาบิกลบินซาลีมผู้ลบอกในวันเกียม์มาเนี่ยทุกคนที่ไปหาผู้ล้อเนี่ยเขาจะเตรียมอะไรไปมันไม่มีประโยชน์เขาจะมีทรัพย์สินใช้จ่ายทรัพย์สินเขาจะมีลูกเขาจะให้ลูกทําความดีอะไรก็ตามมันไม่อย่างประโยชน์กับเขา นอกจากตัวของเขาจะไปหาผู้เอาล้อในสภาพของผู้ที่หัวใจสะอาดหัวใจมีความปลอดภัยหยิบยิ่งความปลอดภัยให้ผู้อื่นแล้วก็ทําตัวให้มีแต่ความปลอดภัยให้รอดพ้นจากสิ่งที่ชั่วร้ายรอดพ้นจากสิ่งที่ฮารอมแล้วก็รอดพ้นจากความเกลียดชังดําดิ่งที่อยู่กับใครบางทีมันแยกย่งครับแยกยากจริงๆว่าเรื่องส่วนตัวหรือว่าเรื่องศาสนาบางทีมันแยกยากว่าโกรธเพื่ออัลลอฮ์หรือว่าเป็นความโกรธส่วนตัว ยากจริงๆนะพี่น้องเพราะนั้นฟาฟูอันฮุมวัสตอร์ฟิลลาฮุมทำให้ได้สองอย่างเนี่ยทำตามที่อัลลอฮ์สั่งแล้วยกโทษอภัยให้เขาได้แล้วขออัลลอฮ์ยกโทษในบาปของเขาให้กับเขาขอแบบไม่ต้องให้เขารู้ขอแบบลับๆเน่ลยพี่น้องดูารับๆเนี่ยดีกว่าดูาที่แบบเปิดเผยบางทีมันมีความเสแสร้งบางทีอาจจะมีความโอวดแต่อยู่ลับๆเนี่ย ชัดเจนระหว่างเรากับอัลลอฮ์รู้ข่าวไหมครับว่าชาเวีร์โมฟิลอัมแล้วก็จงประชุมมีเรื่องอะไรก็ปรึกษากิจการกับเขาก็แปเอาไม่ใช่แล้วตัดสินว่าไอ้ น, นี่มันชั่วมันเลวปุ๊บตัดหางไปวัดอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับใครอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับมันใครก็ตามไปยุ่งเกี่ยวกับมันต้องตัดขาดให้หมดไม่ใช่แบบอย่างไม่ใช่คําสั่งจากอัลลอฮ์และไม่ใช่คำสั่งจากนาัลีไม่ต้องอ้างคําว่ามันฮัดไม่ต้องอ้างอะไรทั้งสิ้นถ้ามันข án กับสิ่งที่อัลลอฮ์สั่งข án กััับบบนนนีีซ่คือตวททชดเจ วัฟวอันหุม่มเรื่องส่วนตัวยกโทษให้กับเขาวัซซักฟิรหุมขอเรายกโทษให้กับเขาด้วยววชาวิธุ์มฟิลอัมแล้วก็ต้องอยู่ร่วมกับเขาแล้วก็มีการพูดคุยในเรื่องที่ถูกต้องไม่ใช่อยู่ร่วมแล้วก็แปลว่าเออความช่วทุกอย่างเออฉันก็ปล่อยทําชั่วให้เขาทําชั่วไปฉันก็ทําชั่วกับเขาด้วยไม่ใช่อยู่ร่วมต้องมีความชัดเจนต้องมีการขีดบรรทัดที่ชัดเจนทําแต่สิ่งที่ถูกต้องเท่านั้น บางสิ่งบางอย่างอัลลอฮ์ยังไม่กําหนดให้เขาทํามันได้เราก็พยายามเตือนเขาพยายามบอกเขาแต่ไม่ใช่ตัดเขาทิง้งตัดเขาทิง้งก็เขจะไปสอนเขานะ่ะถึงเวลาโลกหน้าเขาก็บอกกับอัลลอฮ์ได้ว่าอัลลอฮ์เนี่ยอันนี้มันก็รู้มันไม่เห็นมาพูดกับฉันดีๆเลยมันไปว่าฉันรับหลังมันไปดินทาฉันในกลุ่มอย่างเดียวมันไม่เห็นมาบอกฉันถ้าเขาพูดอย่างนี้จะไปตอบ Allah อัลลอฮ์ยังไงนี่เป็นการเตือนครับผมอินอ uh ัลลอฮะยฮิบุนมุจัลลัคีลินแล้วเมื่อเราตั้งใจจะทําอะไรแล้วก็จง มอบหมายตนต่ออลห์เพราะอลห์นั้นรักผู้ที่มอบหมายตนต่อพระองค์ครับพี่น้องครับคุณปัญญานะครับสละมานะครับวกุสลมตลุลลอวะบรากาตุแลก็คุณสวัยนะครับสลามาเช่นเดียวกันก็วะอัยลุสลมตลุลลอวะบรากาตุคุณจำรัดนะครับปลายชัดเจนมาชาลอนะครับผมวกุลสละมตลุลลอวะบรกาตุอา ก, กาศทางนั้นเป็นยังไงบ้างนะครับน่าจะน่าจะร้อนะนะคิดว่า ดีก็ต้อเครครับไม่ว่ายังไงก็ตามขอพระเจ้าให้เราได้รับแต่สิ่งที่ดีดงามที่สุดว่านูยัสซีรุกะหรือยุสรอครับตัวตนของท่านนบีมูฮัมหมัดสัลลสสมเพระองค์กล่าวว่าไงครับอลบาลัมนะชรอแล้วก็สดรัก ว, ะวะาวาวดอในอังกาวิซลักอัลลาีอังการาฮารพรอกาวไว้ในสุรินชรอว่าไงครับเราเนี่ยไม่ได้ทำให้หัวอกของเจ้าปลอดโปร่งกันนั้นหรือแล้วเราเนี่ยไม่ได้เอาความชั่ว อ, ออกไปจากหลังของเจ้าที่เจ้ารู้สึกแบกรับมันไว้กันนั้นหรอ เมื่อ <Me an> ท่านนาบีเป็นผู้ที่มีความปลอดโปรงท่านพูดท่านคุยท่านทําอะไรที่เป็นแบบอย่างมันก็เกิดแต่สิ่งที่ดีงามเพราะฉะนั้นพี่น้องสติสติแล้วก็สติขอเปลี่ยนคํา ว, ว่าสติเป็นคํา ว, ว่าตักวาตักวาตักวาแล้วก็ตักวาสําสรวมตนต่อลอดสัมบูรว์ตนต่ออลอดสัมบูรว์ตน ต, นต่อรอดโดยเฉพาะเวลาที่เราโกรธโดยเฉพาะช่วงแรกแรกที่เราไม่พอใจที่เราเปบียดที่เรารู้สึกอยากจะหยาบคายอยากจะแข็งจะดั้ง ยาสีรูเวลาตัวยาสีรูทำพยายามทำตัวให้เป็นคนง่ายๆทำให้เรื่องมันง่ายๆอย่าทำให้มันยุ่งยากเพราะยิ่งยุ่งยากเนี่ยคนที่ลำบากมันจะกลับมาหาเราถ้าเราทำให้คนอื่นเนี่ยมีแต่ความง่ายได้อลล้อก็ใช่เรามีแต่ความง่ายไดพี่น้องอย่าลืมนะซึ่งพวลอกกาเนสรา อ, อินเชรอร์หลังจากที่ว่าบอกว่าไงครับอารามนันชราลักษณะเรก วَวََ้เนื้อเงินขึ้นไปสระก็แลดีเงินขَ้นไَสระَ ر ว่าร่ำَนื้อเงินَึ้นไปแล้วก็ดีครَบ ف َ ن م ا العسر يسرع พวกล้อท่านบีเป็นผู้ที่มีหัวอกที่ปลอดโปร่งความรู้สึกหนักอื้งที่เหมือนต้องแบกรับความไม่ดีเอาไว้เนี่ยมันโล่งไปแล้วเนี่ยพวกล้อยกท่านบีให้อยู่ในสถานที่สูงส่งแล้วพวกล้ก็ได้ย้ำว่าในความยากลาบากนั้นมันจะมีความง่ายใดมากมายมหาศาลย้ำอีกครั้งหนึ่งนะ มันต้องยากลาบากก่อนแล้วความง่ายใดมันจะมาอย่างมากมายมหาศาลเพราะนั้นไอ้ตอนเจอความยากลาบากนี่แหลพี่น้องที่เราต้องอดทนที่เราต้องมีความตักกว่าจะทำความดีต้องอดทนไม่ต้องอดทนจะดำเนินชีวิตต้องอดทนไม่ต้องอดทนจะคบค้าสมาคมกับผู้คนต้องอดทนไม่ต้องอดทนจะอยู่กับตัวเองเนี่ยจะพยายามทสิ่งดีๆจะละทิ้งสิ่งที่ชั่วร้ายเนี่ยต้องอดทนไหมต้องอดทน เจอบททดสอบอากาศร้อนอดทนไม่อดทนหนาวอดทนไม่อดทนฝนตกหนักน้ําท่วมอดทนไหมอดทนฟาอินนะมาลาอสดิยุสรอในความยากลําบากหนึง่งความยากลาบากจะมีความง่ายได้มากมายความยากลําบากมันต้องมา ก, ก่อนแล้วอินชอ่าร์ด้วยความเมตตาขเขาแล้วความง่ายได้มันก็จะมาเพราะพอเราบอกไงครับวาณุยาซิรุแกลิลยุสรอเราให้ได้ให้เจ้านั้นเป็นผู้ที่ง่ายได้ได้รับความง่ายได้อย่างง่ายได้ ครับก็วันนี้นะครับก็ได้จะพูดคุยกันแต่เพียงเท่านี้ก็หวังว่าประการแรกนะครับถ้าเกิดการพูดอะไรก็ตามที่มันเป็นการพูดที่ไม่ดีที่มีอารมณ์อะไรเข้ามาที่มาจากตัวผมขอปลดล้อมิตรตาผมยกโทด้วยกับผมให้ไภผมแล้วก็ให้ไภต่อพี่น้องขอปลดล้อมให้พวกเรานั้นปิด บุคคลที่มีความง่ายดายมีชอยู่อย่างง่ายดายเป็นคนที่สร้างความง่ายดายให้กับผู้คนแล้วให้ผู้คนรู้จักอิสลามอย่างง่ายดายแล้วก็เป็นคนที่ทําให้ผู้คนนั้นรักอิสลามขออย่าให้เรานั้นเป็นคนเป็นเหตุที่ทําให้ผู้คนนั้นออกห่างจากอิสลามอย่าให้เราเป็นเหตุที่ตะเพิดผู้คนให้ออกห่างจากการเป็นมุสลิมอย่าให้เราเป็นเหตุที่ทําให้ลูกหลานของเราคนที่เรารักคนใกล้ TY ตัวของเราเกียรติชังอัลลอฮ์หรือเกียรติชังท่านอับดุลโมสมุสซัมหรือว่าเกียรติชังอิสลามขอให้เรานั้นเป็นบุคคลที่ เห็นสิ่งที่ถูกว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกแล้วก็ให้เราปฏิบัติตามสิ่งที่ถูกต้องนั้นได้แล้วก็ขอให้เรานั้นเห็นสิ่งที่ผิดว่ามันเป็นสิ่งที่ผิดแล้วก็ยาวล้อขอให้เรานั้นออกห่างจากมันยาวล้อขอให้เรานั้นอยู่ร่วมกับผู้คนโดยให้เรานั้นเป็นแบบอย่างที่ดีแล้วก็ขอให้เรานั้นเป็นหนึ่งอยู่ร่วมในหนึ่งในกลุ่มชนของผู้คนที่โพลลสุภัตตานั้นรัก พอพระไทยเขาขอให้เราเป็นหนึ่งในกลุ่มชนที่มีหัวใจที่อ่อนโยนมีหัวใจที่สงบมีหัวใจที่พร้อมให้อภัยในส่วนที่เป็นฮักคุนอาดัมแล้วก็ขอให้เรานั้นมีหัวใจที่สามารถขออภัยโทษแทนพี่น้องของเราด้วยความรักของเราที่มีต่อพวกเขาขออย่าให้เรานั้นมีความติดข้องหมองใจขออย่าให้เรานั้นมีความโกรธเกลียดบ่าวที่พวกเรารัก เพราะเชยตอนมันชอบมันรักเหลือเกินที่จะทำให้คนที่ดีๆนะ่ะเกียดชังกันที่จะทำให้คนที่ดีๆนะ่ะมาเลิกกันที่จะทำให้คนดีๆเนะี่ยมานินทาใส่ร้ายว่าร้ายทาร้ายกันและกันอ้วนเหรอปูดอย่าให้เชยตอนมันทาสาเร็จแล้วก็ปรดอย่าให้เรานั้นทาพฤติกรรมของเชยตอนเสียเองครับอักูลุกาวลีฮะดะบัสกุลลอฮ์ลิวลัาาลวลกุมบริษัทมุสลิมีนะมินกุลีละมสัสซัฟวิอุนฮุวัลกัฟู ร, ร์รหิมอัลลอฮูมะฟิตนา والإخوان الذين سبكون بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلل ل ل ا ي ن آمنوا ربنا و ت ق ب ل د ع ا ء ครับขอบคุณคุณจำหลัครับบอกว่าอากาศช่วงเช้าๆยงสบายอัลฮัมดุลลอฮ์ ب ا ัลล ل ل ه ف ي ุมครับก็อาจจะปิดประชุมครับแล้วเดี๋ยวพี่น้องท่านใดที่สะดวกเรากลับมาพูดคุยกันในช่วงที่สองช่วงของวิชาฟิกแนอินชาอัลล์ครับผม سبحانك اللهم يا حمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك واتوب إلي سلام عليك مراد الله وبركاته